ข้อ 7. สองบทว่าเอกังสมยังความว่าตลอดการหนึ่งหรือในการหนึ่งบทว่าสาวัถียังความว่าใกล้เมืองอันได้นามว่าสาวัถีเพราะเป็นสถานที่อยู่อาศัยของฤาษีชื่อสวัสถะมา ก, ก่อนก็ภมูมังสัตตมีวิพัต ในบทว่าซาวัติยังนี้โหติลงในอัตว่าใกล้บทว่าวิหารติความว่าทรงบำบัดความบีบคั้นออริยาบทอย่างหนึ่งด้วยอิริยาบทอีกอย่างหนึ่งทรงนำคือทรงยังอัถภาพให้เป็นไปไม่ให้สุดโสมบทว่าเยตาวเน ความว่าที่ได้นามว่าเจตวันพระวิเคราะห์ว่าเป็นส่วนของเจ้าเชษเหตุสวนนั้นอันราชกุมารทรงนาวาเชษทรงปลูกและบำรุงให้เจริญแล้วบทว่าอนาถปินดิกะความว่าของขหาบดีผู้ได้นามว่าอนาถปินดิกะเพราะ วิเคราะห์ว่ามีก้อนข้าวเพื่อคนไร้ที่พึ่งทั้งหลายบทว่าอาราเมได้แก่ณนะมหาวิหารอันท่านอนาถาปิติกะครืหบดีนั้นให้สร้างสำเร็จแล้วด้วยการบริจาคเงิน54โกด